อ๋อพร้อมหรอยังโพธพารมเขียนอย่างนี้นะสระโอขอขอพึ่งทอประั ก, ะกแล้วทอสันฐานหานากาศ ตอตอ่านว่าโผดอ่านว่าโผดทับพระถ อ, อาสาโอผอพึ่งตปตาขับถอสันฐานมหานากาศพอพานแล้วก็พอพานสาอาโผทับพารมรมก็คือรมโพทับพระโพทับพารมไม่ใช่คือ เถ้าเราดูเหมือนไม่สําคัญนะแต่การที่เราเข้าสู่ความถูกต้องตั้งแต่ชื่อมันเข้าใจไหมตั้งแต่ชื่อมันะให้มันถูกต้องตั้งแต่ชื่อมันมันจะระเบียบในการที่จะเข้าเข้าถึงความถูกต้องในกรณีที่เราทําได้นะแต่ถ้าเราเขียนไม่เป็น่ะเราก็ไม่ต้องสนใจเอาแต่ชื่อมันพอ มันจะทำให้เราเข้าสู่หาความหมายมันได้โพตพารมแปลว่าอารมณ์ที่มาถูกต้องกายกายคือถั่วไหนกายคือกายประสาทอะคือในผิวหนังของเราภายชั้นนอกนี้มันจะมีประสาทอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าประสาทอย่างนี้นะมันเป็นประสาทที่คอยรับรู้ต่อการกระทบ สิ่งที่มากระทบกายถ้ามันเข้าไม่ถึงกายประสาทเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมสิ่งที่มากระทบกับกายแล้วมีการรับรู้ไอ้ตัวที่ถูกกระทบคือกายประสาทตัวที่มากระทบเรียกว่าโผฏพารมเข้าใจว่าถ้าสมมติเอากวดเนี่ยปลาใส่เนี่ยตาปลาผิดมีโผฏปลารมไหม โดนนะอะไรเป็นโพลทปารมอะไรเป็นโพลทปารมอันนี้ใช่หัหยอันนี้ตอนนี้เป็นอะไรโอ้เป็นขใจร้ายมากอันนี้เป็นอะไรลูก เป็นรูปารมเพราะเราเห็นด้วยเราสามารถรับรู้เขาได้ด้วยจักรคุป萨ตถูกไหมแต่เมื่อปลาไปโดนหัวรู้สึกว่ามีสิ่งมากกระทบที่หัวใช่ไหมไ อ, ไ, อไอตัวที่รู้สึกอ่ะคือคือคือตัววิญญาณใช่ไหมตัวที่รู้สึกได้มันรู้สึกผ่านอะไรผ่านกายประสาท ซึ่งอยู่บริเวณที่หัวเนี่ยเป็นกายประสาทแล้วกายประสาทไปกระทบกับสิ่งนี้สิ่งนี้กระทบปุ๊บตอนน่เอเรกมันไปเนี่ยเรามองเห็นมันลอยมานี่มันเป็นมันเป็นรูปารมณ์อยู่ใช่ไหมมันเป็นรูปารมณ์อยู่ใช่ไหมพอกระทบปุ๊บรูปอารมณ์นี้กลายเป็นอะไรโราพธิภารม์ทีนี้มันไม่เป็นรูปารมณ์เลยโดนนั่งนั่งอยู่ปะปุ๊บมันก็เป็นอะไร ไอ้ตัวที่มากระทบคือโผฏฐารมเข้าใจคำว่าโผฏฐารลมไมโลกเนี่ยโลกข้างนอกกับโลกข้างในโลกข้างในคือตัวเราตัวเรานี้มีตัวที่จะสามารถเชื่อมกับโลกข้างนอกตา เชื่อมกับโลกส่วนที่เป็นรูปหูเชื่อมกับโลกส่วนที่เป็นเสียงจมูกเชื่อมกับโลกส่วนที่เป็นลิ้นช่วมกับโลกส่วนที่เป็นรสกายประสาทเนี่ยเชื่อมกับโลกในส่วนที่เป็นอะส่วนที่เป็นโพธพพาโพธพะหรือโพธพารม์นั่นแหละ เพราะฉะนั้นโลกที่ว่าย่อยแท้จริงมีกี่กี่ส่วนคือส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นสีรูปกับสีนะเป็นรูปเป็นสีแล้วก็ส่วนที่เป็นเสียงส่วนที่เป็นกลิ่นส่วนที่เป็นรสส่วนที่เป็นโพธถับพระนี่โลกมันมีเท่านี้จริงๆโลกอะ่ะ แต่เรามันโอเวอร์ไงมนุษย์นี่มันมันโอเวอร์อ่ะมันปรุงจนเกินจากกรามปจริงโดยการไปตั้งอะไรตั้งชื่อนั่นแหละไปตั้งชื่อไอ้นี่รูปไหมรูปไหมรูปไอ้นี่ก็รูปอันี้ก็รู ป, อ, รปอันี้ก็รูปใช่ไหมแต่มนุษย์ไปบอกว่าอะไรไอ้นี่เป็นที่ปั๊ม ไอ้ น, นี่เป็นฝาผิวนอกนี่เป็นพลาสติกใช่ไห ม, อ, มอันนี้เป็นตัวหนังสือมนุษย์ไปตั้งชื่อเยอะมากชื่อมันเลยมามีบทบาทในชีวิตของเราชื่อมันจึงเป็นบัญญัติของมนุษย์ที่บัญญัติขึ้นมาแล้ว ให้มนุษย์มาติดอยู่ที่บัญญัตินี้แหละและเอาชื่อเหล่านี้แหละมาสาคัญหมายแล้วก็ปรุงแต่งออกมาเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเราปลดเปลื้องคำว่าชื่อปลดเปลื้องคำว่าบัญญัติให้คงเหลือแค่ความเป็นจริงมันก็จะเหลืออยู่แค่ห้าอย่างคือหนึ่งสองสามสี่รถห้าโพพะ เนี่ยเ น, น, น่เรื่องมันเยอะเพราะอะไรเพราะมนุษย์มันโอเวอร์ไปบัญญตัตไงไปยันหัตชื่อสมมติว่าคนนี้ชื่อแอบสมมติว่าคนนี้ชื่อเดี๋ยวก็จะเถียงอีกยมไม่ได้สมมติยมจริงๆนะยมชื่อไพรวันไ <laughs> <laughs> พรวันเปิ้นุนุดเงียงชม สาวแคทองบีนุ่นเต๋อขอภัยเสือหลืองจะไม่ได้อ๋อเก๋งูอดท่เหล่านะหัวเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีชื่อทั้งนั้นชื่อไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่บัญญัิธรรมดานะไปสร้างระเบียบประเพณีสายสัมพันธ์ ขึ้นมาในบัญญัติแต่ละบัญญัติด้วยซึ่งสมมุติทั้งนั้นเพราะแต่เดิมไม่มีแล้วสมมุติทั้งนั้นอ่ะสร้างสายสัมพันธ์เป็นว่าอ่าอันนี้เพื่อนนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ซีกับคนนี้อันนั้นก็เป็นกิ๊กกันมั่งกันลูกเป็นนี้เป็นนู่มบัญญัติขึ้นมาเยอะแยะยั่วเยีเย่ยมไปหมดเลยและแต่ละบัญญัติที่มนุษย์บัญญตัตขึ้นมาสร้างขึ้นมานั้นมีผลต่อจิตใจของเรา มีผลต่อความกลับเพิ่มของจิตที่มันมีผลต่อการกลับเพิ่มของจิตเพราะอะไรเพราะมันมีอวิชชาตันหาอุปาทานนี่เรื่องมันไปกันเลยเถิดเลยแล้วเลยเถิดออกมาจนเป็นพบเป็นชาติเป็นเวียนว่ายตายเกิดหมกมุ่นชุ่มแช่วนลูปอยู่อย่างเนี้ยจะหาทางออกสักทีเราก็ต้องไปสมมุติเอาสมมุติอีก สมมุติเพื่อให้ตัวเองเชื่อสมมุติให้ตัวเองเชื่อว่าอันนั้นอย่างนั้นอันนั้นอย่างนี้อันน้นอย่างนู้นอันนู้นอย่างนั้นถ้าเราไม่มีบริบทของคําว่าสกปรกของคําว่าสะอาดเราจะมีการตําหนิกันไหมเฮ้ยทำไมสกปรกอย่างนี้วะทําไมโอ้ยสะอาดเหลือเกินทําไมงี้นะถ้ามันมันเป็นการสมมุติและมั tumors, boards, นเ ช, ช, ช, ชื like ชช่อจนในความสมมุติมันนานมากแล้วว่าสกปรกมันดีกว่าสะอาด ความเข้าใจความรู้สึกของเราถ้าเห็นใครสะอาดโอย้ย <c ười> ใช่ไหมอํานาจของความเชื่อในสิ่งที่สมมุติมันเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยเพราะความโอเวอร์ของมนุษย์ไปสมมติสิ่งนั้นขึ้นมาเพื่อให้ดูรู้สึกว่ามันอยู่ง่ายขึ้นแต่แท้จริงยุ่งยากกว่าไหมแค่แค่กระแสของสังคมที่มันแตกต่างอันนี้รวยอันนี้จนสมมติโอ้ยข้าวกันอยู่ สองกมเดียวกันไม่ได้แล้วมาแตกต่างใช่ไหมนี่มหาเศรษฐีนี่นี่คนในเมืองนี่เกิดมาก็เจอกับอะไรไมโครเวฟแล้วอันนี้เกิดมาเจอกับเตาถ่านอย่างเงี้ยแล้วก็มีคำสมมุติเข้าไปสัมทับในความแตกต่างนั้นอยอะมาซึ่งมันไร้สาระมากแต่ มันมีผลต่อความรู้สึกทำให้จิตนี้กระเพื่อมกลายมาเป็นพบเป็นชาติกลายเป็นการหมุนเวียนในสังสารวัฏในที่สุดก็ไปสุดอยู่ที่ทุกข์นั่นแหละถ้าสัตว์ตนหนึ่งมีความเชื่อว่าสัตว์ตนนี้ไม่ดีสัตว์ตนหนึ่งมีความเชื่อว่าสัตว์ตนนี้ดีทั้งสองความเชื่อนี้ไปสุดอยู่ที่ไหนสุดอยู่ที่ทุกข์เหมือนกันเป๊ะ เปสุดอยู่ที่ทุกเหมือนกันเป๊ะเพราะฉะนั้นถ้าการที่จะเราจะให้การภาวนาของเราเดินหน้ารุดหน้าตรงลัดสั้นทะลุบัญญัติไปเลยทะลุบัญญัติไปเลยไม่ต้องไปสนว่าเป็นใครชื่ออะไรนามสกุลอะไรยศถาบรรดาศักข์ขนาดไหนตำแหน่ง หน้าที่การหานทรัพย์ถินเงินทองมีเท่าไรข้ามไปเลยให้มันคงเหลือแค่อะไรรูปถูกไหมกับนามเห็นไม้มสิ่งที่ข้างนอกที่จะมากระทบมันจะเป็นหาอะไรก็ช่างข้ามบัญญัติให้หมดมันก็จะเหลือแค่ห้าอย่างคือส่วนที่เป็นรูปเป็นสีส่วนที่เป็นกลิ่นส่วนที่เป็นรถส่วนที่เป็น เสียงและก็ส่วนที่เป็นโลตระพระแค่นั้นเรื่องมันน้อยลงยังน้อยลงมากเลยแต่ถ้าเราข้ามตรงนี้ไม่ได้มันจะอยู่แต่กับตรงนี้การอยู่กับตรงนี้และเพื่อที่จะเข้าไปสู่การภาวนาเป็นความหลงหมดเลยเป็นความหลงหมดแหละทีนี้มันจึงต้องกล้าไงมันจิงต้องกล้าสำหรับที่จะตรงเข้าไปถู่ความเป็นจริง ให้ได้เพราะทุกอย่างมันจอมปลอมหมดอะถ้าในโลกนี้คนทั้งโลกให้เครดิตเราว่าเราสวยเราคิดว่าเราสวยจริงไหมแต่เครดิตของโลกมันสร้างความระยําให้กับเราแล้วคือเราหลงเราหลงไปแล้วว่าโอ้ยเราสวยแล้วมันจะส่งผลต่อเราสองอย่างคือถ้าคนไหนที่สวยกว่าเราเราจะอิจฉามัน โอ้เยอะแยะแต่จริงๆเราสวยจริงไห ม, ไมอะไรมาบอกว่าเราไม่จริงคำว่าสวยมันสร้างความรู้สึกให้กับเราว่าเรารู้สึกดีใช่ไหมเออมันก็น่าจะจริงนะแต่ความสวยที่ทำให้เรารู้สึกดีนั้นมันมันไม่จริงเพราะอะไร เพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆหลอาตมาเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนก็บอกเบญจ ก, กัละยาณีหญิงที่สวยพร้อมห้าอย่างนี่คิดว่าสวยที่เป็นหนึ่งในใต้ล่าเทพธิดาก็ไม่อาจเข้ามาเปรียบนี่เรียกสวยอันดับหนึ่งเบญจ ก, กัละยาณีเช่นนางพระนางพิมพานี่เบญจ ก, กัละยาณีพระนางชนระบทกัละยาณีนี่เบญจ ก, กัละยาณี รู้จักไหมจนเบทอรยาณีไม่รู้จักเหรอไม่เคยได้ยินเลยไม่แววเลยผู้หญิงคนที่ไม่แววเลยผู้หญิงคนที่เจ้าชายสิทธัตถะมีโจทย์ว่าเมื่อชีวิตนี้มันจะต้องพันจรอยู่กับความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บและความตาย จะมีประโยชน์อะไรกับการที่เราจะต้องมาอยู่ในการคลองเรือนและกับความลุ่มหลงหลอกลวงกับสิ่งมายาเหล่านี้เราออกไปดีกว่าหาสิ่งที่มันจะนําพาให้พ้นจากความทุกข์นี้คือโจทย์ในการที่จะเจ้าใจสืตะออกบวชและได้เป็นพระพุทธเจ้านีจโจทย์เลยกลับมาจากอุทยานขึ้นตําหนักพอจะเข้าสู่ตําหนักมันเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเเรียกชนบทกัลยาณี นี่ก็เบนจากกลัลยาณีนะห้ามมากจนระบบกลัลยาณีเป็นผู้หญิงที่แอบรักพระพุทธเจ้าอยู่แอบรักเจ้าชายสิทธัตถะหลงรักเขาข้างเดียวอะ่ะพอเห็นเจ้าชายสิทธัตถามาประเจินหน้ากันพอดีได้โอกาส <c oughs> <c oughs> ได้โอกาสเพราะปกติเข้าใกล้ไม่ได้จะไม่มีโอกาสเข้าใกล้เลยแต่วันนั้นเจ้าชายสิทธัตถะท่านเสด็จอุทยาน กลับมานี่เรียกว่าหนีอ่ะหนีเที่ยวแล้วกลับมาก็ไม่มีใครเจออั น, นี้กลับมาเจอกันพอดีนิพุตานุนัชามาตานิพุตานุนัชปิตาความว่าหญิงใดได้เป็นมารดาของบุรุษนี้หญิงนั้นเย็นใจได้คําว่านิพุตาแปลว่าเย็นใจได้ก็คือนิพพานนั่นเอง นิบุตาโนนชาปิตาว่าบุรุษใดเป็นบิดาของหนุ่มชายนี้บุรุษนั้นเย็นใจได้หญิงใดเป็นสตรีขอให้เป็นภรรยาของบุรุษนี้หญิงนั้นเย็นใจได้คือถ้าใครอะไม่กลาไม่ได้เกียวข้งกับเย็นใจได้นะแต่เจ้าชายสิทาได้ฟังซึ่งกำลังกําลังมีโจทย์อยู่ใช่ไหมกําลังมีโจทย์อยู่อะว่าทําอย่างไรให้สัตว์เหล่านี้จึงพ้นจากความทุกข์ พระองค์จะทาหน้าที่รื้อขนสัมภาระเหนี้ขึ้นออกจากทุกเมได้ยินคำว่านิพุตตาครั้งแรกที่เจ้าชายศรีสัะได้ยินคาว่านิพพานครั้งแรกจากเนี่ยโอ้โหขอบคุณนางคนนี้โลดเครื่องประดับทั้งหมดโดยออกจากพระสงฆ์ล้งหมดมอบให้เป็นรางวัล น, นางนี้ก็เข้าใจว่า เสร็จแล้วเข้าใจว่าเจ้าชายเป็นไงอยู่ๆของมีค่ามาให้ทั้งเยอะแยะพูดแค่นี้โอ้โหเสร็จกูแลจริงๆพระองค์นั้นทรงได้ยินคบว่านิพพานครั้งแรกจากผู้หญิงคนนี้ด้วยการร้องคำเพลงคำโครงนี้ขึ้นมา นิบุตานุนาชา mata นิบุตานุนาชาปิตาจะจเจ้าสามอบให้ชุลมกขญาณีเป็นเบญจกัลยาณีนางวิสาขาเป็นไงเบญจกัลยาณีเบญจกัลยาณีในสมัยนั้นมีห้าอย่างคืออะไรมัง่งเบญจแปลว่าห้ากัลยาณี ผูห้หญิงดีใช่ไหมผู้หญิงงามห้าอย่างหนึ่งฮะโอ้โหเร็วมากเลยนะ <ś c oughs> หนึ่งเกษรกระยานังผมงามผมงามสองผิ ว, ผวถนัดถ้เกินี่้ผิวเนี่ย <ś c oughs> ผิวงามสามค <ś c oughs> วันงามสี่ อะยาตาตาตาไม่เหรอผมนนกเรยอเีเออเออเอออ้เออวัยงามวยะกาลยานังเกะกาลยานังวัยยะกาลยานังฟันแล้วก็ริมฟิปากอืมใช่ไหม ผมควนันปากอะไรผิวแล้วก็ัวผมเนี่ยอย่างอื่นไม่ไเท่าไหร่หรออย่างอื่นนี่มันก็ยังทันสมัยอยู่อย่างฟันเนี่ยฟันบนฟันล่างนี่เรียบสนิทนะ ไม่ใช่ฟันล่างเกยฟันบนฟันบ น, บนเกยฟันล่างไม่ใช่แต่เขาเรียบสนิทเรียวเรียบสนิทแล้วก็อันนี้เรียวกว่าฟันหาม ร, ริมฝีปากงามริมฝีปากเนี่ยจะเข้ารูปกับฟันและสีของปากสีเหมือนกับผลตำลึงสุกที่ผ่าซี่สีนั้นเป็นสีธรรมชาติก็ยังพอได้อยู่เพราะเดี๋ยวนี้เราก็พยายามหาลิปสติกพากันอยู่นั่นแนะ มันไม่รู้จักทำบุญเน้นดีๆจะเกิดมาเป็นบรรจาการานีไม่ต้องเปลืองลิปสติกขณะใช้ลิปสติกแล้วนี่ ย, ยังไปออกเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาผมยาวงี้แล้วก็โคนผมยาวถึงบ้านเอวนะแล้วก็ปลายผมนั้นมวนออกลองนึกภาพดิ ลองนึกภาพถ้าค่ำค่ำมืดมืดเดินไปเจอผู้หญิงเกะกัลยาณ์นางผู้หญิงผมงามถูกกรามเป็นจากกัลยาณีเป็นไงเดี๋ยวนี้วิงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเกะกัลยาณ์นางมันเปลี่ยนไปยังเปลี่ยนไปแล้วมันจริงไม่ใช่มันเป็นแค่สมมุติวัยกัลยาณ์นางวัยงามคืออะไร ขนาดนี้ถือว่าวัยกัลยาณ์นางไหมลอยค่ะวยายกษัลยาณ์นางคือก็อเปรียบอย่างนี้ว่านางวิสาขาเนี่ยอายุร้อยี่สิบเดินทางไปกันเหรน่ะคนยังแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนเหลนคนไหนนางวิสาขาแน่ไหมมันต้องดึงกันเท่าไหรว่ว่ามันถึงงั้นจริงๆเขาบอกว่า คลอดลูกแขวดสิบครั้งยังเสมือนกับคลอดลูกแค่คนเดียวผู้หญิงจะคลอดลูกเยอะเนี่ยมันโสมตามตามตามการคลอดเลยนะแต่เป็นจากกัลยาณีข้อวะยะกัลยาณังนี่จะไม่แก่มันจะต้องได้มาอย่างดีมากเออชนบุรีกัลยาดีก็เป็นอย่างนี้แต่นี่มันเป็นเิงอะไร เอาก็าจริง ๆ, ๆสมมุติถูกไหมสมมุติไหมแล้วมันมีผลต่อเราไหมสมมุตินี้เอยอะไหมตาของฉันผลมาจากความสมมุติต่านี้ไหมฟิวเลอร์โบทออะไรอ้รอยไหมะ <c oughs> อะ <c oughs> ไรอีกเอกอ มาโครนเกาหลีอะไรก็ ย, ย่อด้วไปหมดเพราะมันมีผลมาจากความสมมุติเหล่านี้จนเกิดเป็นความเชื่อเข้าใจไหมแล้วมันก็เป็นอุปสรรคต่อการที่จะเข้าสู่ความจริงหลายอย่างมากๆอย่างเราจะมารู้ว่าตัวเราเองเป็นอ น, นิจจงเนี่ยโอ้ยจริงนั่นแหละแต่ว่า สองกระจกขึ้นมาเห็นตีนกาขึ้นมาหน่อยเดียวไปไ ง, งเธอเธอมีเซรัม่มที่เซรัม่มไม่ใช้เซรัม่มอะไรอะเอาขอหน่อยขอหน่อยขอนีออหนอ่หน่อยนั่นหน่อยโอ้โหต้องเดือดร้อนมากแล้วแสดงว่ามันยังไม่ยอมรับมันไม่ยอมรับเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือเรื่องเรื่องไม่จริงเนี่ยที่พูดกันอยู่เนี่ยเรื่องจริงตัวที่จะทำให้เรา เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยและเราเข้าถึงกับความรู้นี้สหบจิตจะสหบบได้ด้วยความรู้ที่เรามีนี้มันจะต้องความรู้นี้จะต้องอยู่กับอะไรอยู่กับอะไรความรู้นี้ตอนนี้รู้ยังว่ามันไม่เที่ยงรู้ยังสิ่งนี้เป็นสมมติความรู้นี้ต้องอยู่กับอะไรใจถึงจะสหบบได้ ไม่มีรางวัลไว้มันจะต้องอยู่กับความตั้งมัน่นต้องอยู่กับความตั้งมัน่นความตั้งมั่นนี้จะต้องตั้งมั่นขึ้นมาจากการที่จิตรู้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นกลางแล้วมันจะเกิดอะไรเวลาเวลารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยสัมผัสมันจะบริสุทธิ์รู้จักคำว่าสัมผัสบริสุทธิ์ไหม รู้จักไหมนึกภาพออกไหมสัมผัสบริสุทธิ์โอ้ยได้จับหน่อยโอบริสุทธิ์โอ๊ ย, อยดีเหลือเกินอย่างงี้เหรอ <c oughs> คิดว่าสัมผัสบริสุทธิ์คือแบบไหนสัมผัสบริสุทธิ์ก็คือสัมผัสแล้วไม่มีการปรุงแต่ง มีความตั้งมั่นมีจิตรู้ที่รู้ตรงต่อการสัมผัสนั้นอย่างเท่าทันพอเห็นปับ๊บรู้สึกว่าเห็นไม่ปรุงแต่งไปออกว่าชอบหรือไม่ชอบข้าจะยังมันจะไม่เกิดกรรมมันจะไม่เกิดเวรมันจะไม่เกิดภัยแล้วมันจะไม่ปรุงแต่งไปสู่เวทนาตัณหาอุปาทานอันนี้เรียกว่า สัมผัสบริสุทธิ์ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนประชาไปจับไอ้สัมผัสกับพระนางตาเขนะประชาไปสัมผัสกับพระนางตาเขเขก็อุทานมาบอกอ้เป็นการสัมผัสที่บริสุทธิ์มากๆไปสัมผัสไปกับ ม, มาจากปราบฆ่าศึกแล้วก็ผ่านบ้านหนึ่ ง, ห, งหิวน้ำก็ ขอด้านบ้านนั่นกินบ้านนี้ก็เป็นผู้หญิงเธอก็ยกแต่ว่าคลุมหน้าคลุมตานะแล้วก็เอาเอาเอาน้ำไมากินระหว่างที่ส่งขันน้ําให้มือพระราชาด้านไปแตะเอากับมือข อ, องนีนางตาเก๋ก็านีนางตาเ ก, ก๋คือตามันขี้เรมากอ่ะก็สมมุติว่าขี้เรก็เกิดความรู้สึกแต่ว่าใจของคนเห็นนี่กระเพิ่มว่าขี้เรศัล้วเลยขี้เรมากแต่พระราชาไม่เห็นหนะ้ามือพระราชาเกิด อะไรโผลถับพารณมไม่ได้สำเร็จ ด, ด้วยรูปารลมแต่รู้ด้วยโผลถัพพารลมสัมผัสปั๊บโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่นุ่มละมุนอ่อนบริสุทธิ์มันไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยทั้งๆ ท, ท, ที่ในวังเยอะมันจาตึงต่อความสำนึกของพระาชากลับไปถึงตำหนัก กลับไปถึงที่ในพระราชวังสั่งอำมาตย์เลยจะเตรียมกองคนเลยไปหาผู้หญิงคนนี้แล้วเชิญเธอมาจะตั้งให้มาเป็นมเหสีของเรา <c oughs> เรื่องใหญ่ไหมเ <c oughs> <c oughs> สร็จแล้ ว, <c oughs> ลว <c oughs> ปวกขานิโอปอยกันแล้วไปเป็กองเลยไปถึงหาไม่มีคือเพือพ่อพออย่างนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ต้องสวยใช่ไหม เกณฑ์ของคณะอมาตย์ที่ไปหากรร ม, มาการชุดนี้คือหาผู้หญิงที่สวยไปถามบ้านนี้ในหมู่บ้านนี้มีลูกสาวบ้านไหนที่เขาสวยมั่งในหมู่บ้านนี้มีอยู่สองคนนะคือคนนั้นคนนั้นแต่มมีผัวไปแล้วไปหาหมู่บ้านนู้นอีกทางนู้นมีไหมบอก ม, ม, มีแต่ว่าก็แต่งงานมีคู่ไปแล้วบ้านนี้โอ๊ยไม่มีหรอกส่วนมากมีคู่ชีวิตหมดแล้วหญิงโถนไม่มี ไปถึงที่บ้านนางตาเข๋เขก็ถามไม่มีหญิงถวยที่นี่ไม่มีพระชาไปถึงบอกไม่มีพระเจ้กาการหาเท่าไหร่ก็ไปเจอเฮ้ยมันต้องมีสิมันต้องมีไม่มีก็พระเจ้ามาเองเลยหามาถึงบ้านหลังนึงทีนี้ก็มองหน้าก็ไม่รู้จักใครไงก็ให้หญิงสาวแต่ละบ้านหมู่บ้านนี้ไม่ต้องทําอะไรหรอกยื่นแต่มือมา พระชาจะใช้ด้วยการจับโผถับพารมสัมผัสอันบริสุทธิ์ในใเขาก็พัฒ น, นาไว้นะนี่คือผัสสะที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์หาเลยปรุงชะขนาดนั้นมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมพระชาชไปไปบ้านบ้านนางตาเก๋คือยืย่นมือมาพระชาชสัมนี่ไงออโทําทไมถึงรู้เพราะผัสสะ บริสุทธิ์ก็สุดแล้วก็พานางเขาไปนางตาเก๋พะเปิดรู้ทำไมเธอปิดหน้าเปิดหน้าเธอเปิดหน้าไม่ได้เพราะนางตาเขขี้เร่มากพระชาไม่สนในความารู้สึกของพระชาผู้หิคนนี้สวยมากเพราะมันมองจากอะไรมองจากโผลัตาพารเขาบอกแลว้วไงคนที่มันไม่รักอะ สวยยังไงมันก็ว่าขี้เร่ส่วนคนที่ว่าขี้เร่แค่ไหนแค่ไหนมันก็หาคู่คนสวยบางคนหาคู่ยังไม่ได้เลยไอ้คนขี้เร่นี่เปลี่ยนเป็นว่าเล่นเพราะงั้นเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่นะแต่ผัรษะที่บริสุทธิ์คือผัรษะที่เมื่อเห็นแล้วไม่มีการตรุงแต่งมีสติและการปัญญาไปรู้เท่าทันต่อผัรษะนั้นทุกอย่างมันหยุดไหม ถ้าผัสสะบริสุทธิ์หยุดมันจะไปถึงกรรมถึงเวทนาอุปาทานถึงทุกไห ม, ไม ถ, ถึงไหมถูกไหมไม่ถึงใช่ไหมเมืม่อผัสสะบริสุทธิ์ทุกอย่างหยุดท่านในวงของปฏิจจ อวิชาปัจจัยสังขาราสังขาราปัจจวิญญาณังวิญญาณปัจนามรูปังนามรูปปาจัจยสลายตนะสลายตนาปัจจัผัดโซมาถึงผัสสะแล้วผัสสะนี้บริสุทธ์ผัสสะผัสสะเวผัสสะปัจจัาเวทนาใช่ผัสสะเป็นปัจจัยแห่งเวทนาถ้าผัสสะบริสุทธ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากผัสสะนั้น เป็นอย่างไรก็พือเป็นอย่างนั้นใช่ั้มมันสุขก็คือสุขทุกข์ก็คือทุกข์อทุกขกับมาสุขก็คืออทุกข์ความยินดีพอใจในสุขก็จะไม่มีความยินดีพอใจในเวทนาขณะนั้นจะไม่มีความขัดใจในความในเวทนาก็จะไม่มีมันไม่มีตัวที่จะพึ่งแต่งไปเลยตัณหาก็เกิดขึ้นไหมไม่เกิดดับ ตั้งแต่ผัสสะเมื่อผัสสะบริสุทธิ์ทุกอย่างพังวงจรของทุกเป็นยังไงขาดสะบัน้นอันนี้ยังไม่ได้ตอบปัญหานะแค่อธิบายคำว่าโผแต่พรรมเขียนให้ถูก โพ ธ, ธิารม์เขียนกันถูกอย่างถูกนะยังไม่ถูกได้อธิบายอีกพวกนี้กลัวเรื่องการอธิบายการหาโพธภารมณ์ไม่ใช่หาไม่ใช่หาโพธภารมณ์เขาเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย ถ้าเราไปหาโผฏฐารล์แสดงว่าโผฏฐารล์เกิดขึ้นตามกำหนดการของเราไม่ใช่เหตุปัจจัยเรากําลังจะไปแทรกแซงเขาความเป็นจริงของโผฏฐารล์ก็คือว่าลมที่กระทบกับกายประสาทแล้วจิตผู้รู้เขาเข้าไปรับรู้การกระทบนั้นตรงนั้นสิ่งลมที่มากระทบนั้นเรียกว่าโผฏฐารมณ์เวลาเราหายใจปุย ปุยมันได้แค่ควังว่ะปุยใช่ไหมที่ยังไม่เข้าใจตรงนี้ถ้าเรายืนอยู่เนี่ยปุยอ่าฟังนะถ้าเรายืนอยู่ดูโผตพารลมนะถ้าเรายืนอยู่แล้วมีงูมันมาเลือกโผตพารลมไม่จําเป็นต้องมีตาเข้าใจไหมไม่จําเป็นต้องมีตาไม่จําเป็นต้องมีหูไม่จําเป็นต้องคือตาบอดหูดับลิ้นชาจมูก ดับไปแล้วเหลือแต่กายประสาทอย่างเดียวเออเอาแต่กายประสาทอย่างเดียวถ้าเรายืนอยู่แล้วมีงูตัวหนึ่งมีสัตว์ตัวหนึ่งลักษณะยาวๆมันเลื้อยมาเลือเล้อยมาหัวมันเริ่มเดินกระโดนกระทบที่หลังเท้าของเราเรารู้สึกไหมเออเพราะหัวมันกระทบที่หลังเท้าเราเรารู้สึกใช่ไหม แล้วมันก็เลื้อยผ่านหลังเท้าท้องของมันก็ครูดผ่านหลังเท้าของเร า, เ ร, ารู้สึกไหมเราไม่ไปไหนเลยเราเฝ้าตรงที่ที่ที่ท้องมันมันถูกสัมแตะกับหลังเท้าตรงนั้นแล้วแล้วมันครูดไปอย่างเงี้ยครูดไปเราเฝ้ารู้สึกแต่ตรงนั้นครูดไปครูดไปครูดไปครูดไปเรารู้ไหมว่าไอ้งูตัวนี้มันยาวเพราะว่ามันกระทบและครูดไปนานใช่ไหมถ้ามันเลื้อยนานแสดงว่าตัวมันยาว ถ้ามันมันกระทบเราเลยพื่อเดียวแสดงว่าตัวมันสั้นสั้นคือครูดไปนิดหน่อยยาวคือครูดไปนานนานอันนี้ลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้าเหมือนกันลมหายใจของเราที่ไหลออกมาเนี่ยมันก็เยอะแต่ที่มันกระทบกับกายประสาทจนเรารู้สึกได้อะว่ามีลมกระทบ ลมที่กระทบจนเรารู้สึกได้ลมนั้นชื่อว่าโผตพารมคนถามคำถามนี้คือปุ๋ยใช่ไหมเอาเอาให้มันได้ปุ๋ยนั่งนิ่งๆลุกเออหลับตาตัวตรงหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกเอาตัวผู้รู้อยู่ตรงบริเวณจมูกนะแล้วปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาดูที่เรารู้สึกต่อลมตรงไหนรู้ไหมลมที่รู้อะคือโผตผารลมเข้าใจยังอย่าไปบังคับว่ามันต้องชัดมันต้องแรงไม่ใช่อย่างนั้นไม่จริง อย่างนั้นเรากำลังเข้าไปแทรกแสงเขาบางครั้งลมแรกโผตพารลมแรกที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเบาเพราะความจริงเขาเรารู้สึกเรารู้สึกได้ว่ามันเบามันก็คือเบาความเป็นจริงเป็นแบบนั้นพราันไปมันจะแรงก็คือแรงยาวก็คือยาวสั้นก็คือสั้นเอาตามความเป็นจริงที่เขาปรากฏที่เป็นโผตพารลมบางครั้งไม่มีก็ไม่มีเดี๋ยวมี เดี๋ยวไม่มีก็คือไม่มีเอาความเป็นจริงที่เขาปรากฏแต่ตรงนั้นแหละที่ปุ๋ยรู้สึกเมื่อะกี้คือโผทะพารลมเมื่อลมออกเป็นอย่างนั้นใช่ไหมลมเข้าก็รู้อย่างนั้นตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมจิตผู้รู้อยู่บริเวณนิมิตนี้แล้วเฝ้ารู้ลมที่เป็นโผทะพารลมแน่แน่ต่อเนื่องอยู่อย่างนี้ตรงนี้ไม่ไปไหนต่อเนื่องไปก็จะเกิดเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาตากอนของความตั้งมั่นจะค่อยๆก่อขึ้นที่จิต แล้วกายก็จะนิ่งสภาวะอื่นอันใดที่มันเกิดขึ้นเราก็แค่รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดสิงนั้นเกิดเต ก, กิจของเราเราทำแค่รู้ลมที่เป็นผลตัาพาลมตรงนั้นอันนี้ได้ไหมจำสภาวะนั้นไว้นะแล้วถ้าพอมันหลุดออกไปลงสัย้กลับมาถึงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะโอเคผ่าน มีคำถามคาถามนึงว่ามรณะสติคืออะไรสามารถรู้ได้ด้วยอาณาปานาสติหรือไม่โอ้โหอาณาปานาสตินี่ตัวดีเลยแหละที่จะรู้มันงานมาอีกแล้วดูว่าสำคัญไหมไม่สำคัญก็ปล่อยบาลไปก่อนมรณะสติคืออะไรอะมรณะแยก สติมรณะคํหนึ่งสติคํหนึ่งสติแปลว่าอะไรระลึกมรณะคือมอรณะคือพูดดังๆเลยเวลาตายเนี่ยมันเป็นคำมงคลมรณะกูตายระลึกถึงความตายพิจารณาถึงความตายคือมอรณะสติ เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งนะเป็นคาาข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราปฏิบัติถามว่าอาณาปานาสติระลึกมรดมรลึกในความตายได้ไหมสติระลึกได้ไหมโดยาทางกลับกันถ้าเราจะเรียอาณาเนี่ยอะไรเกิดเราก็รู้อะไรดับเราก็รู้ แต่ถ้าจะตายแล้วเราไม่รู้มัโง่มากมรณสติคือการระลึกถึงความตายอยู่เนืองเนืองระลึกอยู่ถึงความตายอยู่เนืองเนืองพูะุทธเจ้าเรียกว่าอภินาป จ, จเวกคือเป็นสิ่งที่เราผู้รู้สึกตัวว่ายังไม่ตายต้องพิจารณาอยู่เนืองเนืองเพราะอะไรเพราะมันเป็นความจริงที่จะต้องเกิดขึ้น เป็นความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตทำไมเราจรึงจะต้องพิจารณาหนึ่ ง, งเมื่อเขาเป็นความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตลักษณะของความตายคืออะไรพรากทุกอย่างออกไปสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เป็นของเราสิ่งที่เป็นของเราทั้งหมดถูกความตายนี้พรากทั้งหมดลย สิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นสุขทั้งหมดเลยถูกพรากออกไปด้วยอำนาจของความตายคนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่มีความยึดถืออยู่กับชีวิตใยความเป็นตัวเป็นตนนั้นจะเกิดความสะดุ้งเมื่อรู้สึกถึงความตายแต่ความตายคือความจริงถูกไหมความตายคือความจริงใช่ไหมนั้นพวกเราถ้าเข้าไม่ถึงความจริงนี้ต้องสะดุ้งและทรมาน เมื่อจะต้องตายต้องสะดุ้งและทรมานเมื่อจะต้องตายพระเจ้าว่านิยะโตมะจุราชสัตตายแน่ๆค <c oughs> าถาที่เราจะต้องสอบถามกับตัวเราเองนิยะโตมะจุราชสัตกิงสิงโตปามัจฉสิถ้าเป็นชื่อสิงโตนะบอกสิงโตให้ เจ้าต้องตายแน่ๆจะมัวประมาทอยู่ทำไมวะเริ่มความเพียนสินี่มัตนิยโตมัจจุราชัสกิงไพรวันประมัจฉสิถามตัวเองไงนิยโตมัจจุรายะสกิงแอปประมัจฉสิแอปเอ้ยถามตัวเองเจ้าต้องตายแน่ๆ จะมัวประมาทอยู่ทําไมวะเอาซี่เอาเลยตื่นมาตอนเช้าจะเอายี่สิบนาทีอ่ะอิออดอดยุ้วยุ้ยยวยยยอยูยย่นัยย่นนหะจําคํานี้ไปเลยนิยโตมัจจุรายชกิ่งปุ๊ ก, ป, กประมาทจะสิปุ๊ก ơi, เอ้ยเอ็งต้องตายแน่ๆจะมัวประมาทอยู่ทําไมวะลุกลุก <c oughs> นี่คือคือการพิจารณาถึงความตายแล้วให้กอบไปด้วยประโยชน์ให้เห็นชีวิตที่ยังไม่ตายนั้นมีคุณค่าสําหรับที่จะกระทําสิ่งซึ่งเป็นสาระถ้าไม่พิจารณาถึงความตายจนมันจิตมันรู้สึกว่ามันต้องตายแน่ๆใช่ไหมและเมื่อเราพิจารณาถึงความตายบ่อยๆความไม่ประมาทก็เกิดขึ้นความไม่ประมาทคือว่าไม่ปล่อยให้ชีวิตที่ยังไม่ตายนี้ ต้องเดินออกนอกเส้นทางเวลาเราพิจารณาถึงความตายบ่อยๆว่าเราต้องตายแน่ ๆ, ๆๆเราจะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตเราที่ยังไม่ตายนี้มันมีคุณค่ามากและมันมีนิดเดียวมีชีวิตเดียวนี่ว่ามีอันเดียวมันจึงมีค่ามากมากเราจะเอาสิ่งที่มีค่ามากมากนี้ไปทำอะไรแน่นอนที่สุดเลยถ้ามันเกิดความรู้สึกนี้มาจากการที่เราไปพิจารณาถึงความตายที่ชื่อว่ามารณสติ เราจะไม่ให้ชีวิตนี้เกลือกกลัวด้วยอกุศล น, นึกภาพออกไหมถ้ามันมาจากการที่เราพิจารณาถึงความตายจนรู้สึกได้เลยว่าเราจะต้องตายแน่แน่เราจะปล่อยให้ชีวิตอันมีค่านี้ตายไปไปเปล่า กับชีวิตที่ยังไม่ตายไปต้องไปเกลือกกลั้วกับสิ่งสโสกปรกโศโครบมันจะรู้สึกเลยว่าอากุศลธรรมทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งโสกปกโสโครบของชีวิตแน่นอนที่สุดเลยมันจะไม่ออกแล้วมันจะมีมันถ้าพอเรามีความรู้อย่างนี้แล้วเรามีศรัทธามีความรู้มีปัญญาอยู่ใช่ไหมมันจะเพิ่มความเพียรเกลียวของความเพียรจะเป็นชิ้นเป็นอันมีน้ำหนักมีมวลขึ้นมา เอาจริงเอาจังกับการภาวนาทันทีเลยแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ว่าคนที่จเจริญอาณาปานาสติจะเจริญมราณาสติได้ไหมไม่ใช่ได้นะต้องต้องพิจารณาต้องทำมราณาสติต้องให้จิตเนี่ยมันรู้สึกไว้เลยว่าขณะที่เรายังไม่ตายเราจะต้องตายแน่แน่ และการตายนี้เราไม่รู้ว่าจะตายเวลาไหนอาจจะเป็นนาทีข้างหน้านี้อาจจะเป็นเย็นนี้คืนนี้พรุ่งนี้มรืนนี้เพราะฉะนั้นเส้นทางของชีวิตเรามันมีแต่จะสั้นลงสั้นล ง, ส, นลงสั้นลงทุกขณะของวันคืนที่มันผ่านไปมันเหมือนวัวที่ถูกเพชฌฆาตลากไปสู่ที่เชือดก้าวย่างของวัวที่ก้าวย่างแต่ละก้าวทำให้เขาใกล้สู่ที่เชือดชันใด เวลาวันคืนราตรีที่ผ่านไปในชีวิตของเราแต่ละขณะขณะมันจะทำให้เราใกล้กับความตายมากขึ้นไปทุกทีทุกทีเท่านั้นการพิจารณาและได้เกิดความรู้อย่างนี้มันทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตที่มีไหมมีมันเลยไม่เอาสิ่งที่เป็นได้สาระแล้วไม่แล้วจะให้ไปขุดทองอยู่แถวเมืองกาญโง้ม ก, มกม็ไม่เอาแล้ว <c oughs> ไม่เอาแล้ว ใช่ไหมอย่างมารุนยมเนี่ยก็อยู่กับสิ่งที่ไ ร, ร้สาระมาเยอะแล้วยังเหลืออีกกี่นาทีไม่รู้อะเราไม่รู้เรื่องของความตายที่เราไม่รู้มีไม่กี่เรื่องหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนในไวัยไหนไวัยมันมีสามวัย ม, มัดชิมปฐมวัยมัดชิมวัยและปัดชิมวัยปฐมวัยก็คือตั้งแต่อายุหนึ่งขวบจนถึงห้าสิบมัดชิมวัยก็ตั้งแต่ ไอ้ตั้งแต่อันนั่นแหละสี่สิบห้าสิบจนถึงหกสิบปัดชิมไวคือตั้งแต่หกสิบขึ้นไปตอนนี้เราอยู่เท่าไหร่ถ้าปัดชิมไวเรียกว่าวัยสุดท้ายเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของวัยตอนนี้เราเท่าไหร่หกสิบแล้วเหรอจ้าเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วยิ่งอายุเฉลีย่ยแค่เจ็ดสบ้า เราเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตแล้วถึงตัวทเท <c oughs> ่าไหร่ฮะเออโบทนาแล้วไพวันเท่าไหร่โอ้พวกนี้ตรงทีหลังต้องให้นั่งเป็นวัยวัยนะจะทำไงทีนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้เราเเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วยิ่งอย่างนี้นะยิ่งต้องหนัก คือถ้าเราพิจรารณามันจะเกิดเป็นองค์ความรู้ที่เป็นกําลังมากระตุ้นเตือนถ้าเราฟังอัตมาพูดเราฟังเข้าใจเรารู้สึกวัวเราะสนุกสนานได้มันยังไม่เกิดการกําลังของการกระตุ้นเตือนแต่ถ้าเราพิจารณาที่พระเจ้าบอกอภินาปเจเวิขณะให้พิจารณาเนืองๆๆๆ่อยๆๆๆจนมันเกิดความรู้ขึ้นมาจากการพิจารณานั้นความรู้นั่นแหละมันจะเป็นตัวที่คอยกระตุ้นเตือน ทำให้เราไปปรารบความเพียรตรงเราทำอานาใช่ไหมได้กำลังมากระตุ้นเตือนอย่างนี้แล้วนะไม่แล้วฉันพอไปถึงเนี่ยกลับไปถึงบ้านนี่ได้ความรู้แล้วใช่ไหมเกิดการกระตุนต้นเตือนแล้วใช่ไหมนึกในใจเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านวันนี้ไม่เอาแล้วละคนก็ไม่เอาเกมโชว์ก็ไม่เอาอะไรฉันก็ไม่เอาแล้วก็ไปถึงเดี๋ยวฉันเสร็จธุระส่วนตัวฉัน้ฉันความเพียรแล้ว เสียเวลาไม่เสียเวลากับอย่างอื่นแล้วแต่พอไปถึงอ้อไอ้ลูกคนเล็กพาหลานมาเยี่ยม <c oughs> มรณสติหายเล่นอยู่กับหลานพัก <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงความตายนี่พนเป็นงานหลักของชีวิตเลยจนจิตมันรู้ขึ้นมาได้ว่าว่าเราต้องตายแน่ตายแน่แน่ นั้ไอ้คาถานี้จําไว้เนะนิยะโตมัจจุราชส ก, กิงไพรวันปรมัตชสิกิงเกปมัตชสิกิงเปิ้นปรมัตชสิกิงนุตปรมัตชสิกิงเนี่ยกิงเนี่ยแปลว่ากิงปรมัตชสิว่าเอ็งจะโม่ประมาดอยู่ทําไมทําไมยังประมาดอยู่เล่าทําไมยังยั่วยอยู่อีกนิยะโตมัจจุราชสก <c oughs> มันตายแน่แน่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็โอเคนะเข้าใจนะไม่ต้องพูดกันมากต่อไปเวลาภาวนาตอนช่วงเช้าบางทีจะรู้สึกว่าอึนอึนคำว่าอื่นอนคือเดี๋ยวดึกนึกสภาวะอื่นก่อน <laughs> ฮะไม่ อื่นๆสภาวะอื่นๆอัตภาวะอื่นๆอาตมาก็นึกถึงกะทิบูดบูดอ่ะกะทิที่ใกล้บูดอื่นๆหนึ่งสภาวะอื่นๆแบบไหนวะเดี๋ยวอ่านให้หมดก่อนถึงจะรู้รู้สึกว่ามันอื่นๆจิตไม่ค่อยสดชื่นผ่องใสอ๋อเข้าใจแล้วคือมันไม่ค่อยสดชื่นผ่องใสเวลานั่งบางช่วงจะมีอาการเหมือนกับจิตตกหลุมอากาศมันจะ มันจะมันจะวืดหายไปแว็บหนึ่งแล้วก็กลับมาที่โผโผพารมเนี่ ย, ยโพธิพารมแต่รู้สึกว่ายังมีจิตอยู่มันไม่ได้หลับจิตยังรู้สึกถึงโพธิพารมได้อยู่แต่บางแผ่วมากๆ ซึ่งเรารู้ว่าเราไม่ได้หลักเลยไม่ค่อยแน่ใจในสภาวะนี้เคลิมไงอันนี้เขาเรียกเคลิมอันนี้เขาเรียกเคลิมเพราะว่ารายละเอียดที่เขียนมาเป็นความรู้ที่เกิดจากการหลังจากนั่งสมาธิแล้วพอหลังจากนั่งสมาธิแล้วก็ตรวจ ด, ดูความรู้สึกสภาวะที่มันเกิดว่าเป็นอย่างไร นตอนนั้นเราก็น่าจะมีสติอยู่นะออตอนนั้นเราเรารู้ตัวอยู่นี่ออมีสติอยู่มันมันไม่ใช่อ่ะมันก็มันไม่ใช่หลับอ่ะไม่หลับแน่ๆอันนี้คือเกิดขึ้นหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วตอนที่มันกำลังเคลิ้มอยู่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเคลิ้มคือหลับนั่นแหละคำถามนี้ให้รู้นะ สภาวันนี้ให้รู้ว่าพอมันมีอาการอย่างนี้รู้เลยรู้เลยให้มีให้รู้เลยว่ามันเป็นถีนมิถะมันกลังเคลิมให้ทำไงยือตัวให้ตรงแล้วก็ถอยรู้ออกมาวางรู้ไว้ที่นิมิตแล้วก็เข้าสู่โพธพารลมใหม่เพราะว่าไอรายละเอียดที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรายละเอียดทึ่งึ่งตุตมาก็เคยเป็นแบบนี้แล้วทำให้เราเข้าใจผิดเข้าใจการปฏิบัติผิด ว่าเราพ่อถูกนี่วะและเดี๋ยวจะไปชานผิดด้วยผมมันลึกลงไปกว่านี้หลับลึกลงไปกว่านี้แต่รู้สึกเหมือนตัวเองมีสติก็เข้าใจว่าชานเหมือนไปนั่งเพ่งเหมือน ส, สมัยก่อนเพ่งเทียนอะ่ะเอาหลวงพ่อวัดบุพา ร, รามจากงองค์ก่อนองค์เนี้ยท่านซื้อเทปไปให้แล้วก็เทปมันก็จะมีลำโพงจะไปไกลก่อนใช่ไหมลําโพงสองอันประกอบกันอะ่ะเราก็เพ่งเทียนจุดเทียน ตั้งไว้บนลำโพงแล้วก็เพ่งทุกวันแล้ฝึกเพ่งมันเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งจนมันติดตาก็หลับตาหลับตาเสร็จแล้วก็ดูดูดูดูดูดูทุกวันพอเทียนจะหมด <x> ก็รู้ได้ระยะเวลามันมีวันหนึ่งไว้สิงโตมีวันหนึ <x> ่งไว้เพ <x> ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งทีนี้พอหลับแล้วมันติดตาแล้วใช่ไหมติดตาแล้วเนี่ยมันก็เปลวเทียนที่เป็นนิมิตมันก็จะมาอยู่ที่ ที่จิตแล้วเราก็สามารถคอนโซลก็ได้ขยายได้ยกขึ้นแฝงไปทางซ้ายขวาได้ขยายได้ใหญ่ได้เล็กได้ผมสนุกไงกำลังแว่งเพืนอนเฮ้ยกลิ่นมาด้วยเฮ้ยสภาวะอะไรเนี่ยกลิ่นไม่พอโผลถพารมมาร้อนบึ้งบึกบึ้โบหมันร้อน ปกติเมื่อก่อนเคยเป็นนะตอนเพ่งใหม่ๆมันร้อนจากข้างในออกมาข้างนอกแต่คราวนี้มันร้อนจากข้างนอกตีกข้าข้างในมันร้อนตีเข้ามาพร้อมกับกลิ่นโอ้สภาวะอะไรว่ามันครบทุกประสาทเลยอ่ะก็ยังแต่นันยังติดตายอยู่นะยังยังติดตายอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยมันร้อนจนทนไม่ไหวอ่ะ มันร้อนแบบร้อนหน้าบูบูบูบูเหมือนเหมือนจะละลายลืมเตากมามันไปจะหมดซี่อีกแล้วคือเทียนเทียนมันไปกินปาติกลำพงบูโหมันไม่ได้ใช้รมันตั้งอยู่เฉยเฉยเพราะฉะนั้นอาการสภาวะ แล้วเราเข้าไปปรุงซ้อนในสภาวะจะมีอาการแบบนี้เข้าใจปะ่พะพอเราออกจากจากจากปฏิบัติแล้วเราตรวจสอบแล้วเรามาเขียนอย่างเงี้ยเขียนไปมันก็ไล่ไปสิแล้วและอาการไล่เนี่ยนะมันจะมีอาการเข้าข้างตัวเองแปดสิบเอร์เซนตตอนนั้นมันมีสตินะมีสตินะ หลับไหมไม่หลับอะ่ะรู้ตัวไม่หลับอะ่ะไม่หลับแต่มันมีบึ้บางครั้งใช่ๆช่ช่ตอนนั้นบืดตอนนั้นวืนนนว้ใช่ใช่ใช่ใชเขียนไปเขียนไปแต่ทั้งหมดมันมีความเข้าข้างตัวเองแปดสิบปอร์เซ็นแต่พอพออย่างนี้ก็ดีแล้วที่เขียนมาเนี่ยจะได้รู้ว่าเมื่อเกิดสภาวะนี้ต่อไปต้องทำยังไงออกมาก็ออกม า, ออกมาเพราะว่าปล่อยไปต่อไปเรื่อยๆมันก็จะตันอยู่ตรงนี้นะ ตันอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนพัฒนาต่อไปไม่ได้เพราะมันเป็นความเคลื่มความเคลื่อมอันนี้ก็จบนะมีคนนังเยอะแยะเขียนมาสี่ใบอ๋อมีนี่อีกใบหนึ่งการปฏิบัติในรูปแบบในแต่ละวันควรเดินและนั่งอย่างน้อยกี่นาที เพื่อให้การปฏิบัติมีความก้าวหน้าเห็นลมสั้นได้บ้างโง่หน้าสงสานนี่แสดงว่ากขาไม่เคยได้เห็นลมสั้นการที่เราไม่เคยเห็นลมสั้นเพราะเราไม่ชำนาญในลมยาวอย่าอยู่กับความที่อยากจะได้ลมสั้นถ้าเราอยู่กับความอยากที่จะได้ลมสั้นเราจะไม่มีวันเจอลมสั้นเลยเพราะเส้นทางของธรรมนี้ ไม่ได้ด้วยความอยากไม่เหมือนกับเส้นทางของโลกเส้นทางของโลกละมันได้ด้วยความอยากพออยากปั๊บได้มามันก็สมพิรมหมายใช่ไหมเส้นทางของโลกอาศัยความอยากแต่เส้นทางของธรรมนี้อาศัยความอยากไม่ได้เลยธรรมที่ถูกต้องจะไม่ได้ด้วยอำนาจของความอยากยา ก, การที่เราไม่เจอลมสั้นเพราะเราไม่ชำนาญในลมเพราะฉะนั้นคาถามนี้ควรจะตอบว่าอย่างไร ควรจะตอบว่าพึงทำกิจในลมยาวให้ชนานาญต่อไปอยู่กับลมยาวนั้นต่อไปเรื่อย ๆ, ๆให้มันตามการแค่รู้ลมโผตะพารมที่มันนานต่อไปเรื่อยๆก่อนเมื่อเมื่อมันชนานาญในลมชนิดที่โผตะพารมแล้วลมมันจะสั้นเองนะลมมันจะสั้นเอง แต่ว่าคำถามนี้เข้าใจว่าคนถามอะ่ะคงนึกถึงอานาสิบุกขันใช่ไหมนี่มันอยู่ลมยาวลมท่านก็ยังไม่เกิดเดชาตินี้ <c oughs> เดชาตินี้กว่ากูจะไปถึงขั้นที่สิบขั้นที่สิบเอ็ดขั้นที่นูน่นกูจะต้องทำยังไงเอาอย่างนี้ทุกขั้นของอาณาเมื่อมีความตั้งมั่นมากพอสามารถที่จะรู้ สภาวะตามความเป็นจริงได้ทั้งหมดนั่นหมายความว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าจัดอย่างนี้ส ม, จจนสมาธิพิกวิพาเวทะจองจะเริญนสมาธิสุสมาฮิโตยะถาภูตังปชานาทีเมื่อจิตตั้งมั่นดีจะรู้ตามความเป็นจริงรู้อะไรตามความเป็นจริงรู้ปัจสะสมุดดยัตสะอัดทังขมันจารู้ความเกิดขึ้นและความดับไปของ รูปเวทนายะสมุทัยันจะอัฏฐานขมันจะรู้ความเกิดขึ้นและความดับไปของเวทนาสัญญายะสมุทัยยันจะอัฏฐานขมันจะรู้ความเกิดขึ้นและความดับไปของสัญญาสังฆาเรเสังฆารานัง สมุทยัญจะอัฏังคมมัญจะรู้ความเกิดขึ้นและความดับไปของสังขารวิญญาณัตว์สมุทยัญจะอัังกมมัญจะรู้ความเกิดขึ้นและความดับไปของนั่นคือรู้ความเกิดขึ้นและความดับไปของรูปของนามรู้ความเกิดขึ้นรู้ความดับไปของกายและใจรู้ความเกิดขึ้นและความดับไปของทุกสภาวะที่มันเป็นคาว่าชีวิต รู้นั่นคื อ, อชีวิตดังอัตภาโวาจสัพพสุขะทุกขาจะเกวลาเอกาจิตตาสมาญาตารหุโสวตเตคาโดชีวิตนีอัตภาพร่างกายคือขาหน้าใช่ไหมออสุขทุกข์ทั้งหมดเอกจิตตาสมาญาติเกิดขึ้นที่จิตดวงเดียวเกิดขึ้นในขณะจิตดวงเดียว ละคูโสวะตะเตกโดแต่ขณะของจิตที่ดวงเดียวที่เกิดขึ้นนั้นมันรวดเร็วพลันมากเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับเพราะฉะนั้นตัวรู้ตามความเป็นจริงเมื่อได้ไม่ได้ไปแยกย่อยในการรู้รูปแล้วเนี่ยรู้อะไรรู้การเกิดการดับของทุกๆุกสภาวะที่มันสามารถรู้ได้ขณะนั้น เก็บเกี่ยวการรู้การเกิดดับตามความเป็นจริงของสภาวะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแม้เราอยู่ในอนาณาขั้นที่หนึ่งก็สามารถเข้าสู่มรรคผลได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ายถาภูตญาัสสนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราใช้ปัญญาอันตั้งอยู่บนความตั้งมัน่นมันทาไปเถอะขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามทำไปเรื่อยๆอย่าออกนอกเส้นทาง อย่าออกนอกเส้นทางแต่ออกนอกเส้นทางก็จบแต่ว่าทุกๆเรื่ตามเพราะว่ากายานุปัสสนาก็ดีเวทนานุปัสสนาก็ดีจิตตานุปัสสนาก็ดีธรรมานุปัสสนาก็ดีที่เป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ล้วนเป็นที่ตั้งของสติอันนำไปสู่มรรคผลทั้งนั้นเมื่อสติที่เกิดเป็นสัมมาสติความตั้งมั่นที่เกิดเป็นสัมมาสมาธิ การรู้เห็นก็เป็นสัมมาทิฏฐิองค์ของมักจปะปา마ประชุมลงกันได้หมดเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่ลมสั้นยังไม่เกิดอย่าท้อถอยอย่าหดหู่ให้ทำลมยาวให้มันแน่วแน่ต่อไปเถอะรู้โผลตับพารมตามเวลาที่มันคลูดออกไปนี่ถมุติว่าเป็นลมหายใจออก นี่เป็นบริเวณนิมิตคือช่องจมูกลมแตะปับ๊บตึ๊กเป็นลมผัวตาพารลมคือที่ลมมากระทบกับกายประสาทแล้วเรารู้สึกได้ใช่ไหมแตะปั๊บมันครูดออกไปความรู้อยู่ตรงนี้ความรู้อยู่ตรงลมที่กระทบตู้ทุรู้จะไม่วิ่งออกไปและจะไม่วิ่งเข้าไปความรู้นิ่งจุ่ง จ, งจุดที่กระทบตูตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมปับ๊บมันนานไหมนานนานแสดงว่าลมมัน ยาวทีครั้งว่าอัตสั้นโตดีครั้งอัตสามีติประชานาติเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเนี่ยยาวไหมยาวตามเวลาเรียกว่านานนานไหมถ้าสมมติมันมันตึด๊ดอย่างนี้สัน้นเพราะว่ามันนิดหน่อยเออแค่นี้แหละทําตรงนี้แหละให้ชํานาญรู้ไปเรื่อย รู้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เรารู้ความเป็นจริงของของของโผฏฐาพมมของลมโผฏฐาพลมนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย ure, ตักกรของความตั้งมั่นจะสะสมขึ้นจะตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นเมื่อความตั้งมั่น oon, นี้มีกำลังมากพอมันเกิดความรู้ความตั้งมั่นที่มีกำลังมากพออย่างมีสติมันจะเป็นกลางเป็นกลางทำให้สัมผัสมันเป็นไงผัสสะเป็นไงถ้าความตั้งมั่น ที่มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างเป็นกลางจะทำให้สัมผัสมันเป็นไงบริสุทธิ์บริสุทธิ์คืออะไรคือมันเกิดก็รู้เกิดมันดับก็รู้ดับมันจะเห็นตามความเป็นจริงเอาทีนี้สภาวะหนึ่งเกิดปุ๊บรู้ว่าผิดรู้รู้ว่าถูกรู้อะไรผิดก็รู้ว่าผิดอะไรถูกก็รู้ว่าถูกรู้อย่างนี้รู้ที่เกิดมา อยู่บนความตั้งมั่นอย่างมีสติที่เป็นกลางนี้รู้นี้เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิโอเก่งนี่คือสัมมาทิฏฐิแล้วความพยายามในการละไอสิ่งที่ผิดความพยายามในการเข้าถึงสิ่งที่ถูกความพยายามนี้เรียกว่ า, า, าการระลึกไปในสิ่งที่ผิดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกความระลึกนี้เรียกว่า มันมีอะไรเป็นฐานก็คือความตั้งมั่นเกิดขึ้นจากการที่เรารู้อย่างตรงๆโดยไม่ได้เข้าไปแทรกแซงตัวผู้รู้รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏลมชนิดที่เป็นโผธิภพ ร, รมจึงเป็นสิ่งถูกรู้ที่ตรงที่สุดสำหรับที่จะสะสมเก็บเกี่ยวให้เกิดความตั้งมั่นเพื่อให้เกิดความเป็นกลางเพื่อให้มักประชุมลงเพื่ออะไรก็แล้วแต่ เต็มอยู่ในนั้นอันนี้พูดไว้จะได้ไม่ต้องคอยคอยบังคับตนเองพอลมมันความจริงลมมันตอนนี้มันยังยาวอยู่ใช่ไหมแวมันช้าจังวะช้าหน่อยพอพออย่างนี้แสดงว่าอะไรฮะแสะดงว่าเราไปแทรกแซงผู้รู้ใช่ไหมพอเราไปแทรกแซงผู้รู้ทำอย่างนี้ มันได้อะไรไ ด, ดได้เราเราจะใหญ่มาก <c oughs> แล้วเรานี่ใช้ได้ไหมไเพราะฉะนั้นระหว่างรู้กับเรามันใกล้เคียงกันมากมันต่างกันตรงที่สติสัมปชัญะและสัญญาเอาข้อนี้จบนะรูปแบบอ่อ เพื่อที่จะได้เห็นลมสัวนบ้างอ๋อแต่เขาถามอย่างนี้ควรเดินและนั่งอย่างน้อยกี่นาทีอันนี้เคยพูดตลอดนะแต่บางคนยังไม่เคยได้ยินเดินกับนั่งก็ขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ต้องมีทั้งเดินและนั่งที่สำคัญไปกว่านี้ก็คือว่าในชีวิตประจำวัน เราจะต้องต่อยอดการภาวนานี้ให้ได้เราจะไปจมอยู่กับความโลภความโกรธความหลงอารมณ์เหล่านี้ตลอดเวลาไม่ได้เพราะถ้าเราจมอยู่กับเดี๋ยวอยู่กับความโกรธเดี Просто, beat, attacked, ๋ยวอยู่กับความโลภเดี <S <S ๋ยวอยู่กับราคะเดี Nixon ๋ยวอยู Atl ่กับโทสะเดี๋ยวอยู่กับความอิจฉาริษยาเดี๋ยวอยู่กับความอคติเดี๋ยวอยู่กับความง่นขวักนี้ปรุงแต่งอยู่อย่างนี้จิตเราไปไง มันจะเอาสิ่งที่เราสะสมไว้ไปใช้มันจะกินหมด่ะสติสมาธิปัญญาที่อบรมบ่มเพาะมาเนี่ยมันจะค่อยทะเยอทะเทะแทะแทะแทะแต่บางคนเลิกปฏิบัติไปเลยเยไม่ไหวมันเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ไหวเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนจนมีบางคนเป็นพระไอ้ไม่ที่ออกมาให้ทำพลา โอ้ยไอ้ตอมามาโมแต่ น, นั่งหลับตาพุโทโธอยู่ใบระกาก็ออกพังขวาหลังคาก็รัว่วตมาทําไม่ได้หรอกเสร็จเพราะว่ามันทําไม่ได้ไงมันจะต้องหาอย่างอื่นทําการต่อ ย, ยอดการปฏิบัติของเราในชีวิตประจําวันสําคัญมากอยู่กับกิริยาที่เราใช้งานจริงๆอะในกิริยาที่เราทํางานในทําเวลาเราทํางานเราก็สมมุตินะ เราเป็นหัวหน้าใช่ไหมอ่สมมติสมมุติว่าเราเป็นหัวหน้าเรามีเลขาวงานของเราติดรับผิดชอบมีบัญชีมีงานขายมีอะไรจ่ายมีสต๊อกมีโน่นมีนี่นั่นตั้งอยู่เต็มโต๊ะมันสมมติขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็สมมุติความรับผิดชอบอยู่ในขอบเขตนี้สมมุติสิ่งนี้ชื่อว่าการกระทําสมมุติอย่างนี้ผิดพลาดสมมุติอย่างนี้ถูกต้องแล้วสมมุติอย่างนี้เป็นกฎระเบียบสมมุติอย่างนี้เป็นกฎ นั่นกฎนี้เข้ามาเพื่อรองรับเรามาชี้ชัดมาบังคับมาตีกรอบว่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้ น, น, นเราก็อยู่ในกรอบนี้อันนี้กรอบของความสมมตุติกรอบเหล่านี้จะกินไปหมดจะเอาอะไรเอาความระลึกเอาควา ม, มเอาความตั้งมัน่นเอาความรู้ทางหลังนี้ออกไปใช้หมดของจิตภูมิของจิตจมูกับพอเสร็จงานเลิกงานกลับไปถึงบ้านจอดรถปรับลงยังไม่ถึงยังไม่ถึงห้องเลยรองเท้ายังไม่ทันได้ต่อได้เห็นโซฟาก็ทิ้งตัวแผล เพราะอะไรกําลังจิตหมดแล้วมันเพลียมันเพลียหมดแล้วไอ้ทีนี้พ อ, ามา ล, อลมจะเจริญอ่ะนะรู้ลมชนิดที่จะเป็นผู้ตพารมณ์ได้แล้วเข้าออกบ่อยๆจนชํานาญแล้วทีนี้เรามาอยู่กับโลกตามหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบของเราพอมันเขียนหนังสือเ ข, เ, ขเขียนเขียนเขียนเร็จช่วงระหว่างที่ว่ามันว่างปึ๊กใช่ไหมแทนที่มันจะไปอย่างอื่นน่ะ มาไหนมาที่ลมมาที่ลมก่อนผมมาลมเสร็จโอ้เดี๋ยวมันต้องไปชงกาแฟก็ออกไปชงกาแฟชงกาแฟชวอยู่กับการชงกาแฟเสร็จเสร็จเรื่องเรียบร้อยมาที่ลมไปทำอันนี้ทาอันนี้รู้กับการกริยาต่างๆเสร็จแล้วกลับมาที่ลมฝึกอย่างนี้บ่อยๆจนจิตผู้รู้เขาสามารถอยู่กับลมนั้นได้ และจะทำให้งานที่เราทำทำด้วยจิตผู้รู้ตอนนี้งานที่เราทำเนี่ยมันทำด้วยรู้ที่ชนิดที่เป็นสัญญาใช่หมรู้ที่ทำงานด้วยสัญญาสังขารและวิวทนาอาศัยกายแล้วก็วินาสัญญาสังขารมันทำงานอยู่กับรู้นั้นอาศัยข้อมูลจากสัญญาที่มันจำได้แล้วก็ทางานไปทำงานไป แต่ถ้าเราต่อยอดการภาวนาอีกหน่อยเราจะทำงานด้วยจิตผู้รู้เวลาเราทำงานผู้รู้เขาจะไปทำงานด้วยเสร็จจากตรงนั้นแล้วก็จะกลับมาที่ลมเสร็จจากตรงนั้นก็จะกลับมาที่นิมิตเสร็จจากตรงนั้นแล้วก็จะกลับมาที่นิมิจจตแ ล, ลมมแล้วเขาจะกลับมาแบบชนิดออโตเมติกเบื้องต้นเวลาเราจะบังคับให้จิตผู้รู้กลับมาอยู่ที่ลมเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันเหนื่อยเพราะจิตมันทางานเขาจะยัง แต่เมื่อเขาทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆเขามีความตั้งมั่นขึ้นมามันจะมีกำลังวัดกันจากความตั้งมั่นทุกครั้งที่เขากลับมาที่ลมโตฏฐพลมนั่นคือความตั้งมั่นเกิดขึ้นทุกครั้งที่กลับมามีความตั้งมั่นเกิดขึ้นสะสมไปเรื่อยๆพราะความตั้งมั่นนี่มันมีความแข็งแรงพอเหมือนให้ความแข็งกับเข็มเข้าใจป่ะพอความตั้งมั่นนี่มันแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงตัว ผู้รู้ที่จะกลับมาที่โูธิาปารมม์มันจะเป็นธรรมชาติมากและจะสับปายะจะสบายแล้วเราก็จะเป็นไงรู้หมดเลยทีนี้จะเหยียดจะคูเวลาทำมาด้วยจิตผูจิตผู้รู้ก็เข้าไปรู้กิริยาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกายจากใจของเราเนี่ยเขาจะเท่าทันแล้วก็จะตรงต่อกิริยานั้นๆไม่ต้องไปเสกสรรปั้นปรุงแต่งอะไรก็รู้หมดอันนี้คือ สิ่งที่มันควรจะมีในชีวิตประจาวันมากกว่าการติดจ้าไปจัดการเดินการนั่งให้มันบาลานซ์กันนะเพราะว่ามันอย่างมันทำไม่ได้อย่างมันทำไม่ได้บางทีเราอยู่ในสภาพการใช่ไหมขาไม่ค่อยดีมันจะไปเดินมากๆได้ยังไงอ่ะใช่ปะ่ะเออหลังไม่ค่อยดีมันจะนั่งนานๆก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเอาทุกอย่างเลยในชีวิตประจาวันให้ติดผู้รู้อยู่ที่นิมิต แล้วเข้าไปรู้ในกิริยาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเท่าที่ได้ก่อนนะไม่ใช่จะต้องไปบังคับเดินไปจะถึงที่ชงกาแฟเห้เมื่อกี้มาด้วยความหลงดีกว่าถอย <c oughs> <c oughs> อย่างนั้นมันเกินไปเดินไปจะถึงที่โต๊ะชงกาแฟแล้วนึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อกี้มาด้วยความหลงไม่ได้มาด้วยจิตพุรูร้ถอยกลับไปใหม่ถอยกลับไปใหม่ตั้งใจใหม่มีจิตผูรู้จิตผู ร, ร, รู้รู้สึกว่าอยากจะกินกาแฟ เดินไปเดินไปที่กาแฟด้วยจิตผู้รู้ไปถึงก็ปับจับจับกาแฟแก่กาแฟเทใส่แก้วด้วยจิตผู้รู้ไงเนนออย่างนี้เขาเกินไปนะถ้าเกิดมันเดินมาใกลแล้วบางทีขับรถมาตั้งสองสามโลแล้วจะถึงร้านกาแฟแล้วเฮ้ยมื่อกี้มาด้วยความหลงเลยว่าต้องยูเทิร์นกลับไปอีกโอยเพราะฉะนั้นรู้เท่าที่รู้ได้ก่อนเก็บเกี่ยวไว้ในชีวิตประจาวัน ในชีวิตประจําวันสมมติว่าแปดชัว่วโมงที่เราใช้ชีวิตอยูอ่วันหนึ่งอ่ะรู้สักสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งเนี่ยรู้อย่างเงี้ยรู้ในจิตจิตผู้รู้เข้ามารู้ในการเคลื่อนไหวแต่ละกิริยาสีห้าจุดเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันนะทำอย่างงี้ทุกวันทุกวันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันจะเชื่อมทุกๆ ก, กิริยาทั้งหมดมาอยู่ในอํานาจของจิตผู้รู้หมดเลยเหมือนเราเดินเนี่ยออกจุดนี้เรายืนเนี่ยเรารู้ใช่ไหม เดินมาสองเก้าสมเก้นแล้วไปไหนก็ไม่รู้แต่ยังเดินตีเนียนอยู่นั่นไงแล้วก็ไปจนถึงสุดหยุดรู้อีกรู้อีกจุดหนึ่งแล้วใช่ไหมรู้อีกหมุนรู้หลุนหมุนรู้เก้าแรกที่จะเดินกลับมารู้ไหมรู้92รู้ไหมรู้เก้าุดอีกแล้วแต่มันยังเดินตรงเป๊ะตีเนียนไงกลับมาถึงจุดนี้รู้อีกรู้ตรงนั้นจุดตรงนี้จุดตรงนั้นจุดตรงโน้นจุดแล้วเดินมาอย่างเนี้ พอมันมีความตั้งมัน่นมันจะขยายตัวรู้ออกสู่ฐานมันจะรู้ค่อยๆขยันก็นมารู้ชัดก็มาขยื้ขยัขยบรู้รู้จะขยับเท่าทันก็นมาเท่านั้นจนเชื่อมได้หมดทั้งส้นต่างขอให้ได้ทำขอให้ได้รู้นเนอะยิงเรื่องเยอะๆดีนักเรื่องเยอะๆดีนักนะ คอยได้ทาสําคัญมากกว่าการที่จะวิ่งหาลมสั้นนะถ้าเราพยายามวิ่งหาลมสั้นเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราไม่เจอเราจะไปแทรกแซงลมยาวเพื่อให้หาลมสั้นเอาตรงนี้ใครคําถามนี้เข้าใจนะข้อสุดท้ายวันนี้จริงๆเวลาเปิดคดพิจารณาได้แต่คําถามพวกนี้ก็จบแล้วเนี่ย ลำดับการเห็นลมลมยาวลมสั้นกายเริ่มนิ่งอาจมีลมอื่นลมสงบหอ้นี่เขียนเป็นเป็นกราฟเลยเป็นลมสงบกายนิ่งลมระงับกายนิ่งถูกไหมเออถ้าจะเข้าสู่ลมสั้นถ้าลมสั้นปรากฏกายนิ่งแล้ว กายหยาบนี่กายกายทั้งกายแท่งนี้นะมันจะนิ่งแล้วเพราะว่าลมสั้นจะเกิดขึ้นได้กายต้องนิ่งถ้ากายไม่นิ่งในการนั่งนะในการนั่งนะถ้ากายมันไม่นิ่งอ่ะมันจะมีเจตนาหลุดออกไปตามที่ต่างเช่นเมื่อก็ขยับอยู่อย่างนี้ขยับอยู่อย่างนั่งขยับไปขยับมาอย่างนี้จะมีเจตนาลงไป ท, ทุกทุกที่ทุกจุดการขยับเพราะ จิตนาลงไปทุกจุดของการขยับนั้นหมายความว่ า, วากายมันนิ่งไหมไม่นิ่งลมจะสั้นไม่ได้ลมสั้นไม่ใช่โผฏภารมลมทั้งดุ้นเลยมันสั้นลงเพราะว่าพอมันมีการขยับมันมีการเผาผลาญร่างกายต้องการออกซิเจนเยอะการหายใจก็จะถี่ขึ้นโดยธรรมชาติลมอาจจะที่เป็นธรรมชาติ ทีนี้ถ้าจิตเราไปคอยรับรู้ลมหายใจในขณะที่กายไม่สงบจะเหนื่อยจะเหนื่อยเหตีนี้พอเรารู้แต่ลมชนิดที่เป็นผูตาพาลมไปเรื่อยๆๆๆกายมันจะนิ่งพอกายนิ่งเนี่ยลมมันจะสหบลมที่ยาวเนี่ยลมที่มันนานเนี่ยมันจะสหบเวลาสะหบปับ๊บมันจะเบามันจะปราณีตพอปราณีตปับ๊บไอ้ส่วนของลมที่มันเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเนี่ย ที่มันละเอียดแล้วจะให้มากระทบกับที่เป็นโผตับพารม์นี่น้อยมากพอลมที่จะมากระทบกับที่เป็นโผตับพารม์น้อยมากแสดงว่าอะไรเรารู้สึกว่าลมมันสั้นแท้จริงลมอาจจะมีเยอะกว่าที่เรารู้สึกเยอะกว่าแต่ว่าเรารู้เฉพาะลมที่เป็นโผตับพารมใช่ไหมพอเรารู้เฉพาะลมที่เป็นโผตับพาลมพอล ม, มละเอียดเนี่ยลมที่มันหายใจออกมาที่จะมากระทบกับกายประสาทของเรา ที่ให้เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นโพวตัวารม์มันน้อยมันเร็วมันสั้นใช่ไหมแต่ลมจริงๆลมข้างในมันมีไหมมันมีลมละเอียดที่คอยเข้าไหาออกเพราะไอ้ยางเนี้ยเรียกว่าลมสั้นพอพอหลังจากนั้นไปมันก็ทาให้มันรู้มันละเอียดเข้าไปก็จะไปรู้ลมที่ไม่ใช่โพตัพารม์ด้วย แต่ถ้ามันมีผัตภารลมอยู่เราก็เว้ารู้ผัตภารลมใช่ั้ยแล้วก็รู้ลมอื่นด้วยที่มันรู้ได้จิตรู้ที่ก็ละเอียดเาก็รู้ได้รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆก็จะรู้ลมอื่นด้วยลมที่มันกระจายกระจายรู้ด้วยแต่ตัวรู้ไม่วิ่งไปตามลมที่กระจายไม่วิ่งไปตามสภาวะใดก็ตามที่มันเกิดจิตผู้รู้จะอยู่บริเวณนิมิตบริเวณนี้ที่รู้นั้นก็เหมือนกับการชำเลืองไปดูเหมือนกับการชำเลืองไปดู เพราะมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยลมที่มันกระจายอยู่นั้นเป็นลมที่มันเป็นจริงของธรรมชาติเหตุตามบัจจัยของมันไม่ใช่เราทําให้มันเกิดขึ้นมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยก็เมันว่าตัวรู้ที่ความรู้อยู่ตรงนี้ก็ชํำเลืองรู้คอยรู้เหมือนเราขับรถอยู่บนถนนที่เคยพูดให้ฟังเราแน่วแน่อยู่ในเลนของเราใช่ไหมในระหว่างนั้นมันก็เห็นข้างซ้ายเห็นข้างขวามันก็แค่ชํำเลืองก็ไปรู้ชํำเลืองก็ไปรู้ชํำเลืองก็ไปรู้ชํำเลืองเข้าไปรู้แค่นั้นเอง แต่เมื่อโผตพารมหยุดจิตรู้สึกเหมือนลมไม่มีแล้วลมยาวก็รู้ลมสั้นก็รู้ลมอื่นที่ไม่ใช่โผตพารมที่มันเกิดขึ้นก็รู้เรียกว่ารู้ลมทั้งปวงต่อไปลมโผตพารมมันหยุดลมมันหยุดมันดับมันไม่มีมันไม่มีลม ตัวผู้รู้ที่มีความคุ้นชินกับการรู้ลมที่เป็นผัตับพารมรู้สึกว่าลมหายใจไม่มีอันนี้เรียกว่าลมหายใจหยุดกิจของกิจของผู้ปฏิบัตินักขณะนั้นผู้รู้ต้องทำหน้าที่อะไรหน้าที่คือศึกษาสังเกตลมที่มันหยุดเนี่ยลมที่มันหยุดเนี่ยเมื่อลมหายใจออกมาก็รู้ ลมหายใจเข้ามาก็รู้แต่กิตจริงๆคือทำการศึกษาลมหยุดให้จิตรู้ก็เฝ้านิ่งอยู่กับบริเวณที่เขาอยู่ได้แล้วก็ไปรู้อยู่ที่ลมหยุดสังเกตลมหยุดในความที่ลมมันหยุดสังเกตอยู่แค่นั้นพอลมหายใจมาก็รู้ลมออกรู้ลมเข้าอันนี้เวลาอย่างนี้เนี่ยไปที่ลมหายใจเข้าไปที่ลมหายใจออก จะรู้สึกเลยว่ามันเป็นเพียงการแค่รู้ลมจิตจะไม่รู้สึกทรมานเพราะกายมันสบไปแล้วกายมันดับไปแล้วกายมันนิ่งไปแล้วจิตจะไม่ทรมานกับการที่ลมหายใจไม่ไหลเข้าไหลออกไม่ดิ้นรนไม่กระเสือกกระสนวิ่งหาลมหายใจเพราะว่ามันจะนิ่งสงบเหมือนที่เรานั่งนั่งกันอยู่นี่มันไม่ใช่ว่าเราจะหายใจทุกขณะเมื่อไหร่หรอกลองไปเอาไอ้ไอไวัดมาใส่ไว้ดูดิแล้วกลับมานั่งเช็คดูว่า หัวใจเราอะเต้นเป็นยังไงพอดังสมาธิเวลาลมมันสงบเงียบเนี่ยมันไอพวกนาฬิกาพวกนี้มันมันตีข่าเหมือนการหลับลึกเหมือนการหลับลึกเพราะค่าการสูญเสียเผาผลาญในร่างกายมันน้อยออกซิเจนที่จะต้องนำมาใช้ในร่างกายนี่มันน้อยพอมันน้อย ช่องทางการขับเคลื่อนด้วยวิธีการการหายใจมันก็เลยหยุดไม่หยุดมันก็หายใจเบาๆน้อยๆหน้าที่ของเราเมื่อลมหายใจมันหยุดก็สังเกตลมที่หยุดนั้นสังเกตหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปอยู่กับลมหายใจแด้วนะลมหายใจแค่เครื่องอาศัยเมื่อลมหายใจมาปั๊บก็รู้ลมหายใจออกมารู้ แต่จิตรู้ทาหน้าที่ด้วยการศึกษาลมหยุดตรงนี้จะเกิดซ้อนขึ้นมาเหมือนกับว่ามีตัวรู้อีกตัวเห็นการรู้ลมหายใจในขณะ น, นี้ไม่ใช่การไม่ใช่การรู้ปกติแต่เป็นเสมือนการเห็นเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกเป็นการรู้เห็นนะเห็นลมหายใจเข้า เห็นลมหายใจออกพอลมหายใจเข้าเสร็จมันหยุดไม่มีลมหายใจมามันก็ทำกิจของมันคือการสังเกตลมหยุดอยู่บริเวณนิมิตนั่นแหละอยู่บริเวณนี้สังเกตความที่ลมหายใจมันหยุดเย็นชําชืนแล้วไอความที่ลมหายใจที่มันละเอียดที่มันเข้ามาจิต ท, ที่รู้เนี้ยมันก็ทาให้เกิดความทราบซ่าน เย็นอิ่มมันเป็นลักษณะของอะไรปิติที่เกิดขึ้นจากการอาศัยกายอาศัยกายที่มันระาับเรียกว่าอาศัยกายวิเวกนะกายวิเวกกายมันระาับกายมันสะฮัดขึ้นมาแล้วมันไม่มีการเคลื่อนไหวกายแล้วสติตั้งขึ้นแล้วบริสุทธิ์ขึ้นแล้วมีความตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วมีอุเบกขาตั้งขึ้นแล้ว ในนี้บริบทตรงนี้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่เราอย่าไปฟังมากตรงนี้เดี๋ยวมันจะหุ่นว่าเอ้ยตรงนี้เป็นสติไหมเดี๋ยวจะไปมีปัญหาอีกอของของของของของของของของของชั้นนี่มันใช่อุบกขาไหมสงสัยอย่างนี้ตายเลยไม่ต้องไม่ต้องไปฟังมากเอาเบี่ยงแค่เนี้พอพ อ, พอหลังจากนี้ไปพอเขาทาหน้าที่ในการสังเกตแต่มันมีปิติเกิดปิติเกิดก็คือความเป็นจริงตามธรรมชาติของเหตุและปัจจัย ที่เกิดขึ้นจากการที่กายมันสงบลมมันละเอียดจิตผู้รู้ก็สามารถที่จะรู้เห็นสภาวะเหล่านี้แล้วจริงๆปีติตัวนี้กระแสะของปิติตัวนี้นเกิดขึ้นตั้งแต่ลมแรกนั่นแหละมันเกิดกันมาครบบริบูรณ์อยู่แล้วแต่มันไม่ชัดเมื่อกายสงบความหยาบของลมความหยาบของจิตผู้รู้สงบลงไปสงบลงไปสงบลงไปทําให้ปิติตัวนี้มันเด่นขึ้นมา ปิตินี้เด่นขึ้นมาก็ทำการศึกษาปิติลมหายใจเข้ามารู้ลมหายใจออกมารู้ศึกษาปิติศึกษาไปศึกษาไปศึกษาไปปิติเขาก็ไม่มีอะไรแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเมื่อเขาเมื่อจิตมันจิตู้ร้เข้าไปใส่ใจศึกษาตัวปิติอยู่เนี่ยปิติก็จะสหบตัวเองลงไปสหบตัวเองลงไปเรียกว่าระหับเป็นปัสัตธิ สศรอบตัวเองลงไปเศบลงไปสเสียบลงไปแล้วโฉบลงไ ป, งงไปจนมันเกิดความรู้สึกเป็นสุขอยู่ภายในเป็นความสุขที่เราจะไม่มีวันเอาไปเปรียบเทียบกับความสุขใดๆได้ในโลกไม่สามารถหาเหตุหาอามิตรใดๆมามาผสมตรุงแต่งให้มันเกิดสุขชนิดนี้ขึ้นได้แต่มียาเสพติดบางชนิดที่มันผลิตขึ้นมานะให้สมองหลั่งสารเคมีเหมือนกับสุขที่เกิดในฌานม <c oughs> ีนะ แต่ตรงเนี้มันเป็นสุขสุขที่ไม่ไม่มีอะไรเลยแต่เนื่องจากจิตผู้รู้เนี่ยอาณาปานาสติคือเส้นทางที่จะทําให้เราถึงที่สุดของเป้าหมายก็เพราะว่ามันได้บ่มเพาะทั้งสติสมาธิและปัญญาเป็นลําดับพอมันเกิดสุขขึ้นมาเนี่ยจิตรู้ผู้รู้เขาจะสัมผัสตัวสภาวะที่ชื่อสุขเนี้ยเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่ง ไม่ปล่อยให้ผู้รู้จมลงไปในสุขถ้าเมื่อใดที่ผู้รู้จมลงไปในสุขนั่นสแสดงว่าเป็นไงเสร็จจบจบพอจับทางได้ไหมกิตของเร า, อ ย, าอย่าไปายาวเลยนะเดี๋ยวเขาไปต่อเนื่องที่วัด วันที่หกเจ็ดแปดใช่ไหมไปต่อเนื่องเราท่านพุทีิถามว่าลำดับการเห็นลมอย่างนี้ถูกหมดนะไม่มีผิดภาวนาเพียรต่อไปเพราะฉะนั้นจากการที่ได้พูดมาทั้งหมดนี้มันเป็นเครื่องบอกให้เรารู้ว่าไง อ่ะไปนเพียรรู้ต่อไปแล้วให้จำใส่กับบญลสันดานตนเองสำนึกไว้อย่างจังเลยว่าเรื่องนี้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดช่วยได้เราต้องทำเองร้อยเปอรเซนหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทำได้แค่ มักขักขาหยีคือบอกบอกบอกพูดกันนี่แหละผลของมันก็คือคนพูดก็ปากเปียกปากฉีกคนควังก็ควังเลี้วควังอีกมันจะได้ก็คือว่าทั้งหมดที่มันจะเกิดผลตรงต่อเราก็คือเราจะต้องเพียรรู้ลมให้ได้ต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อ ย, อยนั่นคือกิจโดยที่ไม่ต้องไปตั้งไว้เลยว่าเราจะต้องได้อะไรจากการ เพียรรู้ขอให้กิจให้ตัวรู้ที่เป็นปัจจุบันเขาทาหน้าที่รู้ลมที่เป็นโผฏฐาลลมเขาต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะถ้าทําอย่างนี้ได้นะนี่ถ้าใครทำยี่สิบนาทีทุกวันทุกวันทุกวันเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยข้างในมันจะแข็งแรงแข็งแรงนี่มันมันมันเออข้างในมันจะแข็งแรงไม่ใช่แข็งแรงบึกบึนนะแต่มันแข็งแรงคือมันทนต่อสิ่งกระทบได้ง่าย จากอื่นแต่ก่อนที่เราไม่นั่นนะอะไรมากระทบปั๊บมันรู้สึกวันไหวอ่อนแอแต่พอเระทําทุกวันทุกวันทุกวันความตั้งมั่นของจิตจะทำให้เราทนต่อสิ่งที่กระทบได้พอก็ทนต่อสิ่งกระทบได้สติที่ก็้าสะสมไว้มันก็จะยืดระยะสิ่งที่กระทบกับจิตยืดระยะไว้ทาไมยืดระยะให้เราได้มีโอกาสในการพิ จ, จารณา โดยปกติเราจะมีไหมระยะที่เราจะได้พิจารณาไอ้ควรไม่ควรเอาไม่เอาดีไม่ดีไม่มีโอกาสหรอกเพราะมันกระทบปับ๊บเราก็จมลงไปเลยในอารมณ์กระทบปับ๊บไม่มีตัวกัน้นไม่มีตัวยืดระยะเราก็จมลงไปในอารมณ์นั้นทันทีแต่ทีนี้พอมันมีความตั้งมั่นมันมีสติมีอุเบกขาฝึกฝนมาเรื่อยๆเนี่ยพอกระทบปั๊บแทนที่จิตมันจะจมลงไปในอารมณ์ตัวสติมันจะกั้นกระแสะการไหลไปของจิต พอกั้กระแสปั๊บมันก็มีระยะให้เราได้พิจารณาเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เว้ยอันนี้ไม่ได้เว้ยแล้วผลของมันที่เป็นธรรมก็ปรากฏขึ้นอันี้บาปไม่เอาเห็นไหมอันนี้บาปไม่เอ า, อนน า, เอาละชั่วก็เกิดขึ้นพอละชั่วเกิดขึ้นโอกาสที่จะทําดีไปไงมีฉันทะใช่ไหมก็จะมีฉันทะเในการทําที่ดีให้มันถูกต้องก็เกิดขึ้น พอทำอย่างนี้ไปบ่อยๆจิตเป็นยังไงบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นจิตก็ผุดผ่องขึ้นอันนี้ใครทำให้ไม่ได้นะจะรู้จักหลวงปู่หลวงพ่อทั่วประเทศไทยเส้นสายใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่สามารถไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยฌานมากอันอันวิเศษไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยคุณวิเศษใดๆ แต่ถึงได้ด้วยความเพียรรู้ของเราเท่านั้นทำเท่าไรได้เท่านั้ น, น, นจริงจริง